ท่านพุธศษาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใส่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่12เมษายนพุทธศัการาช2547ตรงกับวันจันทร์แรม8ค่ำเดือน5เป็นวันพระเป็นวันธรมน ร, รมศวรนะเป็นวันฟังธรรม พอถึงวันพัดพอถึงวันพระพวกเราก็มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นมงคลแก่ชีวิตการที่จะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตนั้นการฟังนั้นต้องมีความสํารวมสมบระงรับคือสมบกายสมบวาจา และสงบใจกายก็ต้องนั่งนิ่งอยู่เฉยๆไม่ไปทําอะไรวาจาก็ต้องนิ่งต้องสงบไม่พูดไม่คุยกับใครใจก็ต้องอยู่กับการฟังไม่ส่งไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตาม หรือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ต่างในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆพยายามตั้งจิตให้อยู่กับการฟังเพราะการฟังก็เปรียบเหมือนกับการเทน้ำใส่แก้วถ้าแก้วมันไม่นิ่งแก้วมันส่ายไป ส, ยส่ายมาเวลาเทน้ำใส่แก้วน้ำก็จะเข้าไปในแก้วบ้าง ออกไปจากข้างนอกบ้างเพราะแก้วไม่ได้อยู่เฉยๆไม่นิ่งอยู่เฉยๆแต่ถ้าตั้งแก้วไว้ให้มันนิ่งแล้วไม่ให้มันขยับขยื่นไปเวลาเทน้าใส่ลงไปในแก้วน้ำก็จะไม่โผออกนอกแก้วสังเกตได้เวลาถ้าเราอยู่ที่บ้านเราตั้งแก้วน้าไว้บนโต๊ะเราเทน้ำก็ไปก็จะเทง่ายเพราะแก้วมันอยู่เฉยๆไม่ขยับขยื่นไปไหน แต่ถ้าเราขับรถอยู่แล้วเราเอาแก้วน้ำไปตั้งไว้บนที่ที่หน้ารถด้าน ล, ลองเทน้ำใส่แก้วอยว่ดีไม่ดีน้ำก็จะหกหมดเพราะแก้วมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาดีไม่ดีก็คว่ำลงไปน้ำที่ใสยไปในแก้วก็จะหมดการฟังธรรมก็เป็นเช่นนั้นใจของเรานั้นเป็นผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่าง ถ้าใจเราไม่อยู่ <c oughs> ไม่ได้อยู่กับการฟังแล้วการฟังนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะเป็นเหมือนกับทักทีในหม้อแกงถึงแม้จะฟังอยู่แต่ใจไม่ได้อยู่กับการฟังกายนั่งฟังอยู่หูรับฟังเสียงเข้าไปในใจแต่ใจมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เข้าไปในใจก็เลยไม่ได้รู้ ว่าเป็นอะไรลักษณะนี้ก็เป็นเหมือนกับทับพีในหม้อแกงทับพีอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ทับพีก็ไม่รู้จักรสชาติของแกงว่าแกงนั้นเป็นแกงจืดลึกเป็นแกงเผ็ดแต่ถ้าฟังแบบมีสติรับรู้อยู่กับธรรมะที่เข้ามาสัมผัสกับใจและพิจารณาตามก็จะเป็นเหมือนกับ ลิ้นกับแกงล้นเวลาได้สัมผัสกับแกงแม้เพียงหยดเดียว<ม>ก็จะรู้ว่ารสชาติของแกงนั้นเป็นรสชาติแบบไหนเป็นแกงเผ็ดหรือเป็นแกงอืดการฟังธรรมก็ต้องฟังอย่างนี้ฟังด้วยความมีสติฟังด้วยความสำรวมสำรวมกายวาจาใจถ้าฟังอย่างนี้แล้ว ก็จะเกิดเป็นสิริมงคลขึ้นมาพ่อจะปรากฏผลขึ้นมานั่นเองผลที่พึงจะได้รับจากการฟังธรรมนั้นก็คือ 1. จิตใจจะมีความสงบสองจะมีความเห็นที่ถูกต้องสขจัดความสงสัยให้หมดไปได้นี่คือผลที่พึงจะได้รับจากการฟังธรรมถ้าเราฟังแล้ว เราก็ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคือจิตมีความสงบจิตมีความเห็นที่ถูกต้องจิตหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเรื่องของกรรมก็ดีเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดก็ดีถ้าฟังธรรมแล้วพิจารณาตามไม่ช้าก็เร็ว ก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วก็จะหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจอยู่ฟังไปเรื่อยๆฟังไปหลายๆครั้งฟังไปบ่อยๆเข้าความเข้าอกเข้าใจก็เพิ่มพูนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเวลาเราฟังธรรมเราจึงต้องฟังให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้ และการที่จะเกิดผลขึ้นมาก็ต้องมีการสำรวมนั่นเองกายของเราต้องนั่งนิ่งอยู่เฉยเฉยอย่าไปขยับอย่าไปเขยื่อนอย่าไปทำอะไรกับร่างกายวาจาของเราก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรกับใครใจของเราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนาน า, นาถ้าเราฟังแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าอย่างน้อยที่สุด ใจของเราต้องสงบแล้วถ้าเราสามารถพิจารณาตามทาที่แสดงไว้ก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องเช่นจะเกิดความเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงกรรมมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงตายแล้วต้องเกิดตายแล้วไม่สูญการกระทำความดีนั้น เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะการกระทําความดีนำความสุขความเจริญมาให้การทําความชั่วทําบาปทํากรรมเป็นสิ่งที่จะต้องลดจะต้องละจะต้องเลิกเพราะเมื่อทําไปแล้วนํามาซึ่งความเสื่อมเสียความทุกมความหายนะทั้งหลายนี่คือคือความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อเราฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีศีลมีธรรมขึ้นมาเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราคิดว่าเกิดมาก็มีเพียงชาตินี้ชาติเดียวตายไปแล้วก็จบไม่มีอะไรตามมาอีกต่อไปเราเลยไม่ยำเกรงกับการกระทำบาปทั้งหลายเพราะเราหวังเอาแต่ ผลประโยชน์ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรเราก็คว้ามาหามาโดยไม่คำนึงถึงว่าจะผิดหรือถูกตามศีลธรรมหรือไม่แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังว่าคนเหล่านั้นตายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคือร่างกายของเราแต่จิตของเรานั้นมันไม่ตายไปกับร่างกายจิตมันจะต้องไปเกิดใหม่ ไปหาร่างใหม่จะไปได้ร่างดีหรือร่างไม่ดีจะเป็นร่างของมนุษย์หรือร่างของเดรัจฉานจะเป็นร่างของเทพหรือของเปรตเป็นร่างของโพรหมหรือเป็นร่างของสัตว์นรกนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำบุญทาแต่ความดีเราก็จะได้ร่างใหม่ที่ดีเช่นได้ร่างมนุษย์ที่ดีกว่าเก่า ได้ร่างเทพได้ร่างโพลได้ร่างของพระอรยาาิยะเจ้าเป็นพระอาหารอาหัตอรหันไปแต่ถ้าเราทําแต่บาปทําแต่กรรมเราก็จะได้ร่างของเดรัจฉานได้ร่างของเปรตของผีได้ร่างของสัตว์นรกเพราะนี่เป็นที่ไปของดวงจิตดวงใจที่เมื่อออกจากร่างแล้วเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณจะไปสู่สุกติหรือไปสู่ทุกขติก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราสะสมไว้บุญกรรมนี้ก็เปรียบเหมือนกับ มเมล็ดพืชพันธุ์ที่เราหว่านไว้ในดินเราหว่านมเมล็ดพืชพันธุ์ชนิดใดเมื่อถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลตา ม, มเมล็ดพืชพันธุ์นั้นถ้าเราหว่านมเมล็ดข้าวต่อไปไม่นานต้นข้าวก็จะต้องโตขึ้นมาถ้าเราหว่านมเมล็ดผลไม้เช่นเงาะทุเรียนต่อไปต้นทุเรียนต้นเงาะก็จะเจริญขึ้นตามขึ้นมาเพรา ะ, มะเมล็ดที่เราหว่านนั้นเป็นต้นเหตุ ผลก็คือต้นไม้ชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นภพชาติของเราความสุขความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกก็ตามก็เกิดจากมเมล็ดพืชที่เราหว่านไว้ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้ก็คือกายกระทําต่างๆของเราทางกายทางวา จ, จาและทางใจนี้เองถ้าเราทําความดี เช่นทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเราก็จะสร้างพบชาติที่ดีพบชาติที่ดีตา่ตางๆก็จะตามมาแต่ถ้าเราไปเสพอบายามุขตา่ตางๆกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้าน ทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดพจน์โกหกหลอกลวงถ้าเราทำแต่สิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเรากำลังหวานมาล่พืชแห่งความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกนั่นเองและเมื่อถึงเวลาของผลที่มันจะปรากฏขึ้นมา ก็ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถไปยับยัง้งไปยุติผลนี้ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราทำไปแล้วผลมันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามมา เราก็อยากไปสร้างเหตุที่ไม่ดีเสียละเม้นจากการทำบาปทำกรรมทำความชั่วทั้งหลายละเม้นจากอบายมุกทั้งหลายแล้วผลไม่ดีทั้งหลายก็จะไม่ปรากฏตามขึ้นมานี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเกิดความเข้าใจคือเริ่มมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนะเมื่อเราเข้าใจแล้ว เราก็จะหายสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นสิ่งเป็นอนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเป็นทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเรื่องเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ เราก็พยายามทําแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษที่นําความทุกข์ความเสื่อมเสียมาให้เราก็พยายามละเว้นเสียเมื่อเราทําได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก็เป็นมงคลของชีวิตนั่นเองความว่าเป็นมงคลก็หมายถึงความที่มีแต่สิ่งที่ดีๆทํางานเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและ สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการกระทำของเราเท่านั้นไม่มีใครจะมาเสกมาเป่ามาในระมิดให้กับเราได้แม้แต่พระบรมศาสดาหรือพระอาหารหันตะสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่มีอํานาจที่จะมาเสกมาเป่ามาในระมิดความเป็นศิลดวงคลให้กับชีวิตของพวกเรามีพวกเราเท่านั้นแหละที่จะสามารถเสก เป่าเนโรมิตรความเป็นศิริมงคลให้กับตัวของเราได้ด้วยการกระทําความดีละเว้นการกระทําความชั่วไม่มีใครในโลกนี้จะทําให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้กระทําเองตามหลักบาลีที่แสดงไว้ว่าปัตตาหิอัตโนนาถุตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้สร้าง สวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับตนด้วยการกระทําความดีทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจคือคิดดีพูดดีทำดีถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งต่างๆอันประเสริฐเลิศโลกทั้งหลายก็จะปรากฏตามมาเพราะมีคนอย่างพระพุทธเจ้า และพาาาระอรหันตสาวกได้พิสูจน์มาแล้วได้ทำมาแล้วท่านทำดีพูดดีคิดดีมาตลอดสิ่งที่ดีทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่ปรากฏตามขึ้นมา อย่างนี้เราจะหายสงสัยเราจะไม่ข้องใจต่อไปถึงดว่าทาไมคนเราเกิดมามาจึงต้องทำความดีกันทำไมเราต้องละการกระทำความชั่วกันทำไมเราจะต้องลดละกิเลสตัณหาทั้งหลายลดความโลภลดความโกรธลดความหลงลดความอยากต่างๆทั้ ง, งหลายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ที่ได้แสดงไว้ มันเป็นโทษมันเป็นเหมือนยาพิษแต่เราไม่รู้เพราะยาพิษนี้มีน้ําตาลเคลือบอยู่นั่นเองเวลาเราอมยาพิษเคลือบน้ําตาลไปอมไปใหม่ๆเราจะไม่รู้สึกว่ามีพิษเลยเราก็จะคิดว่าคนที่บอกคนที่เตือนเรานั้นหลอกเราแต่เราหารู้ไม่ว่า น้ำตาลที่อมไว้นั้นมันละลายหมดไปแล้วทีนี้เราก็จะสัมผัสกับยาพิษขึ้นมาแต่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วมันก็จะสายเกินไปเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเวลาที่ยังไม่ติดยาก็มีคนคอยเตือนคอยบอกคอยสอนคอยห้ามว่าอย่าไปเสพ ย, ยาเสพติดเปน็นอันขาดเพราะเมื่อเสพไปแล้ว จะต้องกลายเป็นทาดของมันและในที่สุดก็จะต้องถูกมันทำลายไปในที่สุดแต่เราก็ไม่เชื่อกันบอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลองครั้งสองครั้งก็สนุกดีแต่พอครั้งหนึ่งแล้วมันก็มีครั้งที่สองพอครั้งที่สองมันก็มีครั้งที่สามสี่ตามไปเรื่อย ทุกครั้งที่เสพก็ลืมไปว่าเคยเสพมาแล้วกี่ครั้งก็คิดว่าเป็นเพียงครั้งเดียวอยู่นั่นเพราะเวลาเราเสพทีไรเราก็เสพทีละครั้งเท่านั้นเองใจมันก็หลอกเราว่าเสพครั้งเดียวไม่เป็นไรหลอกไม่ติดหลอกมันก็เสพครั้งเดียวไปเป็นสิบเป็นร้อยครั้งจนกระทั่งในที่สุดถึงเวลาอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้มีแต่จะต้องรอความตายอยู่โดยถ่ายเดียว นี่ก็คือลักษณะของการกระทําความชื่วทั้งหลายของความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมันก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับการเสพยาเสพติดเวลาเราโลภเราอยากได้อะไรเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ติดหรอกเราก็โลภเราก็อยากไปพอเดี๋ยวผ่านไปได้อีกวันหนึ่งก็เกิดความโลภเกิดความอยากอากีก ก็เหมือนกันนีกก็ไม่เป็นไรครั้งเดียวท่านั้นไม่ติดหรอกก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยไปจะมารู้ก็ต่อเมื่ออยากจะเลิกท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าเลิกไม่ได้เพราะมันติดเพราะเวลามันเลิกแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจอย่างเวลาเราโกรธเราก็รู้ว่าเวลาโกรธเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นความทุกข์ในใจของเรามันเหมือนกับสุมไฟใส่หัวใจของเรา แต่เราก็อยากจะเลิกโกรธเราก็เลิกไม่ได้สักทีเพราะเวลาเวลามีใครมาทำอะไรให้เราไม่พอไม่พอใจความโกรธมันก็ เ, เกิดขึ้นมาทันที <c oughs> ก็เพราะเราไม่รู้จักเลิกความโกรธนั่นเองแต่ถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเวลาโกรธกดใคก็อย่าไปมองคนที่เราโกรธ คนที่เราโกรธนั้นเราให้อภัยเขาอย่าไปสนใจอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาให้หันมาดูที่ความโกรธว่าตอนนี้ความโกรธมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ตัวเขาเหมือนกับเวลาไฟไหม้ไฟมันไหม้ที่ไหนเราก็ต้องดับไฟที่นั่นเวลาเกิดไฟไหม้ที่บ้านเราแล้วเราน้ําไปดับไฟที่บ้านของคนอื่นไปดับ ไปดับที่บ้านของคนอื่นทั้งๆ ท, ที่บ้านคนอื่นเขาก็ไม่มีไฟไหม้อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไฟที่ไหม้บ้านเรามันก็จะเผาบ้านเราจนหมดไปชั้นใดเวลาที่เราเกิดความโกรธ mm hmm. ก็เหมือนกับมีไฟไหม้ในหัวใจของเรา mm hmm. เราต้องเอาน้ำธรรมะเข้ามาดับไฟในหัวใจของเราน้ำธรรมะนี้ก็คือการให้อภัยการไม่จองเวรกันใครก็ทาอะไรเขาพูดอะไร ที่ทำให้เราเกิดความโกรธเกิดความเสียใจอย่าไปมีอาฆาตพยาบาทอย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปสนใจเขารีบหันมาดับไฟในหัวใจของเราด้วยการให้อภัยด้วยการไม่จองเวรจองกรรมนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะสามารถระ ง, งับดับความโกรธได้ในเบื้องต้นอาจจะยากหน่อยเพราะไฟมันแรง น้ำเรามันน้อยน้ำธรรมะของเรามันน้อยคือการให้อภัยมันน้อยการไม่จองเวรมันน้อยเพราะเราไม่ได้สะสมเอาไว้นั่นเองส่วนใหญ่เราชอบสะสมะการจองเวนจองกรรมการอาฆาตพยาบาทการไม่ให้อภัยกันดังนั้นเวลาที่เราจะมาให้อภัยมาไม่จองเวนจองกรรมจึงเป็นสิ่งที่ยากที่ลําบาก เพราะมันมีกําลังน้อยแต่เมื่อเราค่อยๆทําไปไเรื่อยๆทีละครั้งทีละคราวเวลาใครมาสร้างความโกรธให้กับเราก็ให้อภัยเขาไปอย่าไปจองเวรเขาต่อไปมันก็จะดับง่ายขึ้นตอนตอนน้นอาจจะใช้วันหนึ่งกว่าจะดับได้โกรธคนหนึ่งนี่บางทีโกรธตั้งแต่เช้าถึงเย็นกว่าจะดับได้แต่ถ้าเราฝึกไปไเรื่อยๆต่อไปก็ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็ดับได้ ต่อไปก็ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ดับได้ต่อไปใช้เวลาเพียงนาทีเดียวก็ดับได้หรือต่อไปไม่โกรธเลยก็ก็เป็นไปได้เพราะอยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั่นเองเพราะเราต้องเห็นโทษของความโกรธว่ามันเป็นภัยยิ่งกว่าคนที่เขาทำให้เราโกรธคนที่เขาทำให้เราโกรธนั้นถ้าเราไม่ไปถือสาเขาเสีย อ, อย่างแล้ว ทำยังไงไงมันก็ไม่เป็นภัยกับเราแต่ความโกรธนี่มันเป็นภัยเพราะเวลามันโกรธแล้วมันเป็นเหมือนกับมีไฟเผาในหัวใจของเราจึงต้องเห็นโทษของความโกรธ ถ, ถ้าเราเห็นโทษของความโกรธและเราเห็นคุณของการให้อภัยเห็นคุณของการไม่จองเวรกันเราก็จะสามารถทำได้เมื่อเราทำได้แล้วต่อไปรับรองได้ว่า ในหัวใจของเราจะไม่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเพราะเป็นสิ่งที่สามารถกาจัดได้เพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้กำจัดมาแล้วแล้วท่านก็นำวิธีการกำจัดความโลภความโกรธความหลงมาสั่งสอนให้พวกเราเราปฏิบัติกันถ้าพวกเราไม่ต้องการมีความทุกข์มีไฟสมหัวใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง เราก็ต้องพยายามต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงอย่าปล่อยให้มันฉุดลากเราไปในทางที่มันต้องกายเป็นอันขาดเวลาโลภต้องระ ง, งับอย่าไปตามอย่าไปโลภตามใช้ปัญญาเข้ามาแก้โลภไปทำไมชีวิตของเรานี้มันจะอยู่ไปสักกี่ปีกันเดี๋ยวก็ตายแล้วตายไปแล้วเอาอะไรติดมือไปได้ไมั้ย แม้แต่บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้อย่าว่าแต่เงินทองเข้าของเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้เขาก็จะเอาใส่เตาเผาเผาทิ้งไปกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปในที่สุด <c oughs> จะโลกไปกับอะไรในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเอาเท่าที่จาเป็นก็พอ ถ้าจําเป็นถ้ามันไม่มีแล้วจะต้องตายก็ต้องมีเช่นถ้าไม่ได้กินข้าวแล้วต้องตายก็ต้องกินข้าวไม่มียารักษาโรค ก, ก็ต้องตายก็ต้องหายารักษาโรคมาอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นความโลภมันเป็นความจําเป็นก็ต้องหามาตามความจําเป็นแต่ความโลภนี่หมายถึงเอาสิ่งที่ไม่จาเป็นคือไม่ตายก็ไม่เป็นไร นี้ถ้าต้องการแล้วเอามาอย่างนี้แสดงว่าเป็นความโลภถ้าสิ่งใดที่เราไม่มีความจําเป็นกับมันไม่ต้องเอามาก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้เช่นตอนนี้เรามีรถอยู่คันหนึ่งรถมันเก่าแต่มันก็ยิ่งมันก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้แต่พอเห็นเขาโฆษณาในโทรทัศน์ในหนังสือพิมพ์รถรุ่นใหม่ๆออกมาเห็นแล้วก็หวืหวาใจก็วอกแวบ ใจก็ร้อนอยากจะได้ขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีได้มาอย่างนี้อย่าไปเอามันบอกใช้ของเก่าไปก็ได้เหมือนกันพระรถก็มีไว้สำหรับพาเราไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเท่านั้นมันไม่มีความวิเศษพิเศอะไรในตัวของมันเราซื้อมันมาใหม่มันก็ไม่ได้สร้างความวิเศษพิโศให้กับตัวเรา มันก็พาเราไปจากจุดหนึ่งสู่อีกจุดหนึ่งเหมือนกับรถคันเก่าของเราแต่ปัญหาที่มันจะสร้างให้กับเรามันมีมากกว่าเพราะถ้าเรามีเงินไม่พอเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินถ้าเรากู้หนี้ยืมสินไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปทาการทุจริตไปโกหกหลอกลวงไปรับไปลักไปขโมยเงินทองของผู้อื่นมาเพื่อที่จะได้ซื้อรถคันใหม่มา ถ้าทำอย่างนี้แล้วแทนที่จะได้กำไรกับขาดทุนสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้มาไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปสิ่งที่ได้มาคืออะไรเราได้รถยนต์คันใหม่มาแต่เราเสียศีลธรรมไปเราเสียความดีงามไปเราเสียความเป็นมนุษย์ไปส่วนหนึ่งกลายไปสู่ความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไป เพราะจิตใจของเราเสียศีลธรรมที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ความเป็นเทพของเราอยู่นั่นเองดังนั้นมันจึงไม่คุ้มค่ากันได้ของที่ถูกกว่าแล้วเสียของที่แพงกว่าไปทำไมมันต้องเป็นทางตรงกันข้ามเสียของที่ไม่มีค่าไปดีกว่าแล้วรักษาความดีความงามที่มีคุณค่ากว่าไว้ไม่ดีกว่า เช่นรถของเราถ้าเกิดมันเสียมันเก่ามันไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้แล้วและเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อรถใหม่หรือไม่มีเงินไปซ่อมรถคันเก่าแทนที่เราจะขโมยเงินขโมยทองของผู้อื่นมาเพื่อที่จะมาซ่อมรถคันเก่าหรือซื้อรถคันใหม่เราก็ขายรถคันเก่านี้ไปเสียแล้วเดินเอาก็ได้นั่งรถสงแถวนั่งรถมี ไปไหนมาไหนก็ได้หรือซื้อรถจักรยานมาขี่ก็ได้อย่างน้อยเราเสียสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าไปแต่เราได้รักษาสิ่งที่ดีไว้คือคุณางามความดีเราได้รักษาศีลธรรมเราไม่ต้องไปทุจริตเราไม่ต้องไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะได้เอาเงินนี่มาซื้อรถคันใหม่หรือซ่อมรถคันเก่าของเรา นี่ต่างหากเป็นวิถีของคนฉลาดคนฉลาดจะต้องรู้จักรักษาสมบัติที่แท้จริงของตนนั่นก็คือศีลธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้อยู่เสมอว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรม เพราะศีลธรรมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสร์สิ่งอื่นใดในโลกเพราะพบหน้าชาติหน้านั้นจะไปดีไปสูงหรือจะไปต่ําไปเลว็วก็ขึ้นอยู่กับจิตใจมีศีลธรรมรไม่ถ้ามีศีลธรรมก็ได้ไปสูงได้ไปดีได้ไปสู่สุคติถ้าจิตใจขาดศีลธรรมมีแต่ทําบาปทำกรรม ก็ต้องไปต่ำอย่างนี้มันคุ้มไหมกับความสุขเพียงไม่กี่ปีในโลกนี้แล้วต้องไปตกนรกเป็นกับเป็นกันอย่างนี้มันไม่คุ้มค่าเลยซ <c oughs> ู่อดทนเอาไว้ดีกว่าตายไปแล้วเกิดเป็นเทพเป็นคองเป็นกับเป็นกันเสวยแต่ความสุขอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือพวกเราต้องคิดกันบ้างอย่ามองแต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้น ชีวิตของเราในโลกนี้มันก็ไม่ยาวนานอะไรอย่างมากก็แปดสิบเก้าสิบปีก็ต้องตายกันแล้วแล้วก็ไม่อยู่กันไม่ถึงกันเสียส่วนใหญ่อย่างทุกทุกวันนี้ในช่วงหยุดเทศการสงกรานต์นี้เขาก็ทำนายกันไว้แล้วว่าจะต้องมีคนตายกันแล้ววันล 30, 40, 50, นะสามสิบสี่สิบห้าสิบชีวิตแทนที่จะอยู่อย่างยาวอย่างยาวนานก็ต้องมาเสวยให้กับความโลภถ้าอยู่บ้านได้ก็ปลอดภัย แต่ถ้าอยู่บ้านไม่ได้มีความโลภมีความอยากที่จะต้องไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องนั่งรถกันไปนั่งรถกันไปเดี๋ยวก็ต้องไปชนกันไปเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเสียชีวิตไปนตายเพราะความโลภแท้ๆคนเราคนเราต้งไม่มีความโลภแล้วอยู่กับบ้านปลอดภัยอายุก็ยืนยาวนานเราอย่างได้รักษาจิตใจด้วยศีลด้วยธรรม เมื่อตายไปก็ได้ไปสู่สุคติอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือดีกว่าหลงไปกับความโลภความอยากอยากจะไปกินเหล้าเมายาก็ไปกันอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปกันอยากจะเล่นการพนันก็ไปกันแล้วหลังจากนั้นเมื่อเงินทองหมดก็ต้องมาหากันด้วยวิธีต่างๆสุดจริตบ้างทุจริตบ้างถ้าทุจริตก็ต่อไปก็ต้องไปใช้กรรมเอง อย่างนี้มันก็เป็นการทำลายชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต <c oughs> มีแต่สร้าง <c oughs> สร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเอง <c oughs> เพราะไม่มีกำลัง <c oughs> ที่จะต้านทานความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพราะไม่ได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมนั่นเองถ้ามาวัด ทุกๆวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วฟังเทศฟังธรรมอย่างเสมอเราจะมีสิ่งที่คอยเตือนสติคือธรรมะคอยสอนใจให้เรารู้จากผิดจากถูกจากดีจากชั่วแล้วให้เรานําไปปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่าอะไรไม่ดีเราก็ละเว้นเสียอะไรดีเราก็ทําเสียแล้วต่อไป ชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามมีแต่ความสุขความเจริญตามมานี่แหละเป็นานิสงที่จะเกิดขึ้นจากการได้ฟังเทศฟังธรรมดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าการเลนะธรรมะสวนณังเอตัมมังกัลมุมตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตนะ ดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าวัดเข้าวางังกันอย่างสม่ำเสมออย่าง น, อน้อย